บทที่เจ็ดจุดเปลี่ยนอำนาจราชสำนักเจตนารมของราชสำนักที่ต้องการทำลายรัฐบาลทักษิณและทุกรัฐบาลที่มีสายสัมพันธ์กับทักษิณทําให้เกิดความปั่นป่วนใ น, นกลไกาการบริหารรัฐในระบประชาธิปไ ต, ตยอย่างมากและเมื่อถูกแอบใส่ด้วยความมุ่งหมายทางการเมืองที่เป็นจุดฉาณาของแกงนนําพัฒมิตรผู้มีภูมิหลังและอุดมการเป็นปฏิปักษ์ต่อราชสำนักด้วยแล้วการถล่มเข้าสู่สนามรบแห่งความคิดทางการเมืองของสตรีผู้สูงศักดิ์ ทำให้พุทธศักราชของ1551กลายเป็นศตวรวัใหม่แห่งการเปิดเผยตัวตนอันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความเสื่อมของราชสำนักอย่างยากที่จะหันคืนสร้างรัฐธรรมนูน50เพื่อตักอานาจประชาชนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี2540ได้สร้างความไม่พอใจให้แก่ราชสำนักแต่เก็บความรู้สึกนั้นอย่างเยีงเง่ยมเยียโดยไม่มีใครทังเกตเห็นโดยเพราะรัฐธรรมนูนปี2540 โดยจากอำนาจของราชสำนักในการแต่งตั้งวุฒิสมาชิกออกทั้งหมดการกำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเหมือนสสเป็นผลให้ราชสำนักไม่สามารถจะควบคุมกลไกสภาได้ทั้งๆที่ราชสำนักได้เริ่มต้นฟูมฟักพื้นอำนาจในสภามาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่มปี2490ที่ฝ่ายทหารจับมือกับราชสำนักทํารัฐประหารล้มอำนาจของปรีดีพนมยง ดังนั้นรัฐธรรมนูญปี2490จึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอ ง, ง2475ที่คือนอำนาจในรัฐสภาครึ่งหนึ่งให้แก่ราชสภานักโดยกำหนดให้ราชสภานักแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาได้เป็นสภาอีกทั้งรัฐธรรมนูญปี2540ได้ให้อำนาจประชาธิปไตยเต็มใบแก่ประชาชนจนส่งผลให้เกิดระบบพรรคการเมืองใหญ่ที่เข้มแข็ ง, แ, ขงและรัฐบาลที่มีศรัทภาพดังนั้น เมื่อรัฐบาลทักษิณและพรรคไทยรัทยเป็นผลผลิตของรัฐธรรมนูญปี2540อีกทั้งความสามารถเฉพาะตัวในการบริหารจัดการของทักษิณที่หาตัวจับได้ยากจิงทําให้ราชสํานักวิตกกังวลต่อความมีเสรีภาพของอำนาจประชาชนที่มาในรูปแบบพรรคการเมืองของชนชั้นนายทุนดังนั้นเมื่อทําลายรัฐบาลทักษิณด้วยกําลังทหารแล้วเมื่อ19กันยายน2549เผื่อขายรัฐสํานักก็ทําการถอนลากถอนพล อำนาจทางการเมืองของทักสิณโดยการรุบพรรคไทยรักไทยโดยใช้กำลังตุลาการที่เรียกว่าตุลาการพิวัตรแล้วจึงใช้แกนฉ า, านาลัทธิมนุนปี2550ในแบบฉบับอัมมัดตะยาทิปไตยที่สมบูรณ์แบบขึ้นโดยการหนึ่งก็ทำลายระบบพรรคการเมืองให้อ่อนแอโดยให้เอกสิทธิ์สอ ส, อสอที่จะไม่ฟังมติพักตามมาตรา122และตัดอำนาจของรัฐมนตรีและสอสอตามมาตรา 265-268 ถึง ที่จะไม่ให้สอสอเข้ามาเป็นเลขานิ ก, การราัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีรวมตลอดทั้งห้ามสอสอและรัฐมนตรีเข้ายุ่งเกี่ยวกับงานราชการทั้งหมดเว้นแต่เฉพาะที่เป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอีกด้านหนึ่งก็ให้อำนาจของระบบข้าราชการเข้าควบคุมรัฐสภาโดยให้อำนาจแก่ศาลทั้งสามสถาบันรวมกับองค์กรอิสระสีองค์กรซึ่งทั้งหมดเป็นข้าราชการโดยเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาครึ่งหนึ่งของสภาวุฒิ และมีอำ น, นาใจในการถอดถอนสสและยุคพักการเมืองแต่เพื่อให้รัฐธรรมนูนปี2550สัสิ์สนไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายก็นําไปให้ประชาชนลงประชามติซึ่งการลงประชามตินั้นก็อยู่ในบรรยากาศอํานาจเผด็จการทหารครอบงำเป็นเปี่ยงโดยรัฐบาลเผด็จการคมชอของราชสำนักเป็นผู้คุมกลไกการลงประชามติทั้งหมดแล้วในที่สุดรัฐธรรมนูนปี2550ก็คอผ่านมติมหาชนสมใจ ความสําเร็จของการสร้างรัฐธรรมนูนปี2550ไม่เพียงแต่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ราชสภานักด้วยการทำลายระบบพรรคการเมืองเท่านั้นแต่ยังตอบสนองเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่แอบซ่อนไว้ในใจของราชสภานักนั้นก็คือการเตรียมการเพื่อรองรับ ก, การเปลี่ยนแปลงรัช ก, การที่ใกล้จะมาถึงโดยรัฐธรรมนูญฉบับปี2550นี้จะสร้างหลักประกันที่มั่นคงต่อรัช ก, การใหม่โดยอํานาจที่อยู่ในมือของศาล และระบบราชาการที่มีราชสำนักมีความเชื่อมั่นมากกว่าที่จะปล่อยให้อำนาจอยู่ในมือของนักการเมืองทั้งนี้เพื่อให้การควบคุมกลไกรัฐในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านสูรรรน่รัชการใหม่เกิดความมั่นคงในความสําเร็จสูงสุดของรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูนที่เป็นแม่บทของการจัดอํานาจนี้ก็คือพรรคการเมืองในสายทักษิณจะต้องไม่กลับมาเมียอำนาจดังนั้นโดยกฎเกณฑ์แห่งรัฐธรรมนูญและด้วยอํานาจของศาล และองค์กรอิสระที่อำนาจเผดจ ก, การแต่งตั้งขึ้นนี้จึงได้สรึ ก, กําลังการเป็นเครือข่ายราชสำนักทำหน้าที่ปิดกัน้นพักพลังประชาชนซึ่งเป็นพักตัวแทนของทัพสินไม่ให้ ไ, ไทยรัฐชนะในสนามเลือกตั้งแต่ตั้งแต่ห้ามสสหาเสียงโดยเอ่ยชื่อของทัพสินและชื่อพักไทยรัฐไทยจนถึงกรณีกร ก, รกรตโะเคียใบแดงใบเหลืองให้แก่ผู้สมัครสอสอของพักพลังประชาชนอย่างเต็มที่จนถึงสารรัฐธรรมนูญสัง่งยุคพัก และในระหว่างที่รุมถล่มพักพลังประชาชนนี้พวกองค์กรอิสระและสาลก็ปกป้องและหนุนช่วยพักประชาธิปัตย์อย่างเต็มที่ในสนามการเลือกตั้งทั่วไปโดยผู้สมัครของพรกประชาธิปัตย์และพักแนวร่วมที่วางแผนให้จัดตั้งรัฐบาลร่วมกันทําอะไรก็ไม่ผิดหรือแม้ผิดก็หนักเป็นเบาเช่นควรจะให้ได้ใบแดงก็เปลี่ยนเป็นใบเหลืองและหลักฐานถัหกหลักฐานเป็นแค่ใบเหลือง ก็จะหลุดพ้นโดยประกาศให้เป็นสอสอได้เลยเป็นต้นแต่สิ่งที่ราชสํานักวาดหวังไว้ถึงชัยชนะนี้สุดท้ายก็ปรากฏชัดว่าเป็นการประเมินพรรคประชาธิปัตย์สูงเกินไปและการประเมินวิวัฒนาการทางความคิดของประชาชนต่ำเกินไปผลลัพธ์ออกมาจึงผิดถนัดคือพรรคประชาธิปัตย์แพ้อย่างไม่เป็นท่าพรรคพลังประชาชนภายใต้การนําของนายสมัครสุนทรเวท ในนามตัวแทนของพรรคสิงห์กรรมชัยชนะจากความเชื่อมั่นของประชาชนเป็นอันดับหนึ่งได้ที่นั่งสสสอง้อยสามสิบสามเสียงเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแม้องค์กรอิสระกกตจะมุ่งทําลายล้านด้วยการแจกใบแดงใบเหลืองอย่างไรจํานวนเสียงพักพลังประชาชนก็ยังเป็นอันดับหนึ่งเหนือนกว่าพรรคประชาธิ ป, ปัตย์ซึ่งได้เพียงหนึ่งร้อหสิห้าเสียงและแม้จะรวมเสียงพักแนวร่วมคมชทั้งหมดอันได้แก่พักชาติไทย พักเพื่อแผนดินพักรวมใจไทยชาติพัฒนาพักนักชิมาและพักประชาราศแล้วสิงสาสก็ยังไม่อาจจะตั้งรัฐบาลได้ในที่สุดความฝันของราชสำนักและความคาดหวังของคนเอกเกรมในฐานะเป็นผู้บริหารจัดการแทนก็พังทลายดังนั้นรัฐบาลภายใต้เงาของบารมีทักษิณโดยการนําของนายสมัติสุนทลเวชนายกรัฐมนตรีก็เกิดขึ้นถึงได้สร้างความเจ็บปวดรุนแรงแก่ราชสำนัก ต่อการกลับมาสู่วงการอํานาจของพันธมตโทรทักนสิงอีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างมากประชามติผ่านรัฐมนูล50ทั้งหลอกทั้งรีบและข่มขู่รับร่างรัฐมนูญก่อนแก้ไขทันทีก่อนแก้ไขทีหลังระหว่างการรณรงค์รับร่างรัฐมนูญของรัฐบาลผด็จการคมชรกับพรรคประชาธิปัตย์ก็ประสานสิงหหลอกวงให้ประชาชนช่วยรับร่างไปก่อนแล้วค่อยมาแก้ไขในภายหลัง ทั้งนี้เพื่อให้มีการเลือกตั้งบ้านเมืองจะได้เข้าสู่ภาวะปกติสォหารประธานาธิไม่ยอมให้รัฐธรรมนูนผ่านผลเอกสนทิบุญยรัตนเจริญในฐานะประธานคมชก็ข่มขู่ว่ามีอำนาจจะเอารัฐธรรมนูญฉบับใดมาใช้ก็ได้ซึ่งอาจจะเลวร้ายกว่าฉบับนี้ก็ได้และในทางปฏิบัติที่เป็นจริงระหว่างการขอประธานาธินั้นทหารก็ใช้กองกําลังในทุกพื้นที่ปิดกั้นฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยการข่มขู่และจับ ก, กุ่มยัดข้อหาทางกฎหมายที่รุนแรงโดยอาศัยอาํานาจกดอัยการศึกคอยจับผู้ที่เคลื่อนไหวขัดขานโดยมีอํานาจจับกุมคุมขังได้เจดวันโดยไม่ให้ประกันตัวการกระทําอย่างอุกอาจของทหารประสานจะพักประชาธิปัตย์เป็นการสแสดงให้เห็นถึงการใช้อาํานาจเผด็จการอย่างผิดทํานองครองธรรมทั้งข่มขู่และหลอกลวงซึ่งเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่าจะทำนูนฉบับปีสองห้าห้าศูนย์ เป็นความต้องการของอํานาจที่สูงเหนืออํานาจของทหารทุกกลไกรัฐจําต้องยอมซึ่งไม่มีอํานาจใดนอกจากอํานาจของราชสํนานักการที่คอมมชทําการยึดอํานาจแล้วร่างรัฐธรรมนูญโดยใช้ปืนขู่บังคับทั้งข่มขู่และหลอกลวงกับทําการยั่งยืต่อระบอบประชาธิปไตยเช่นนี้มีความร้ายกว่าเลวร้วายกว่าระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูนฉบับ ป, ปี2540มากเหลือเกินทําไม พระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงกำหนิการกระทำของรัฐบาลคมชเลยหรือเป็นเพราะว่านายกรัฐมนตรีสุรยุทธ์จุรานนท์มาจากองค์มนตรีอะไรจึงดีไปหมดเป็นสถานที่ตอบเป็นอื่นไม่ได้นอกจากเป็นพระราชประสงค์ของพระองค์รัฐธรรมนูญจัดเสร็จประกาศเสร็จห้ามแก้แม้จะถูกบีบังคับอย่างไรพักไทยรัฐไทยที่แฝงตัวมาในนามของภาคพลังประชาชนก็ได้จับมือร่วมกับองค์กรภาคประชาชน ที่รักประชาธิปไ ต, ตยและเห็นอันตรายของร่างรัฐธรรมนูญปี2550ทำการคัดค้านจนจำนวนประชากรที่ลงคะแนนเสียงคัดค้านมีสูงถึง40กว่าเปรเซ็นทำให้รัฐบาลสเด็จการคอมมชของราชสำนาเสียหน้าเพราะคะแนนเสียงที่ใช้วิธีการหลอกลวงและ ข, ข่มขู่มานั้นชนะไม่เป็นเอกฉันท์และเมื่อเปิดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปพัพลังประชาชนก็ชูนโยบายขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายหลัก ตนก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างท่วมท้นจากประชาชนด้วยการลงคะแนานให้ผู้สมัครสอ ส, อสอพรรคพลังประชาชนได้รับเลือกตั้งสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งและเป็นแกนนําจัดตั้ง <S <S <S รัฐบาลเมื่อนายสมัครสุนทรเวชในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชาชนได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าบริหารประเทศชาติก็ดําเนินการตามนโยบายที่เสนอกับประชาชนในข้อสําคัญคือยืนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยใช้แนวรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี2540เป็นตัวตั้งเข้าสู่สภาเพียงเท่านั้นเองเสียงคัดค้านที่เป็นเครือข่ายราัฐสนาก็ดังกระหึ่มขึ้น ท, ทันทีทั้งองค์กรพันธมิตรอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนอดีตสสรอและที่ขาดไม่ได้คือพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นหุ่นเชิดของคนเอ็กเกรมในสภาก็ออกมาคัดค้านโดยลืมคำพูดที่เคยแถลงต่อประชาชนว่าให้รับรัฐธรรมนูญก่อนแล้วแก้ทีหลัง นายสมัครถุนทรารเวทผิดอะไรที่เสนอให้แก้ไข ร, รัฐมนูญเมื่อนายสมัครในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชาชนได้เสนอเป็นนโยบายไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งเมื่อได้มาเป็นนายกบัตรีก็ดำเนินการตามนโยบายนโยบายที่แก้ไขรัฐมนูญที่จัดแก้ไขรัฐมนูญซึ่งเป็นหนทางในระบอบประชาธิปไตยนายนสมัครก็เป็นข้ารองพระบามายาวนาน เมื่อได้เป็นนายกผู้มนตรีก็ทําหน้าที่บริหารบ้านเมืองตามคำลองของเราบอกประชาธิปไตยแบบไม่มั่วตามแนวพระราชดำริที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ผู้พิพากษาประจารําศาลสํานักงานวุฒิธรรมเมื่อวันที่25เมษายน2549แต่กระถูกรังแกละม็อบพันธมิตรที่ใครๆก็รู้ว่าเป็นม็อบเส้นใหญ่จนบ้านเมืองปั่นป่วนเพียงเพราะจะยื่นขอแก้ไขรัฐธรรมนูนต่อสภาตามที่หาเสียงไว้กับประชาชน ทำไมพระองค์ไม่มีพระราชดำริเพื่อให้สติสติแก่สังคมเพื่อไม่ให้สังคมต้องเดินไปสู่ความมั่วอย่างทุกวันนี้ทำไมทักษิณเป็นนายกโดยได้รับมติมหาประชามหาประชาชนได้รับมติมหาชนในปี2548เคยขายราชสำนักก็กลับไม่ยอมรับโดยกล่าวหาว่าเป็นผดเด็จ ก, การรัฐสภาพเพราะมีเสียงข้างมากดังจะเห็นการส่งเสียงของอธิการบดีจากอาจารย์มหาวิทยาลัย สยขัดลีนาสวามิพักแต่มาวันนี้คือข่ายรัชสำนักตัดทรงเสียงระเบงเซงแฝ่แปลงกายเป็นผู้ศรัทธาต่อมติมหาชนอย่างยิ่งโดยสิ่งข้างมากที่เห็นด้วยกับรัฐมนุนปี2550โดยกล่าวว่ารัฐมนูญที่ผ่านประชามติเป็นสิ่งศักดิ์สิสทธิ์ข้างแก้ไขไปเสียแล้วพันธมิตรมอบเส้นใหญ่ก็ประกาศยันแข่งก้าวเสมือนเป็นประกาศิทธิ์กับภาคฟ้าว่า ถ้ารัฐบาลยังขืนแก้รัฐธรรมนูญจะต้องแตกหักกันม็อบพันธมิตรใกล้ชิดรัชสภานักเจตนาของเครือข่ายรัฐสภานักได้เปิดเผยตัวเองชัดเจนว่าเจตนาที่แท้จริงไม่ใช่อยู่ที่การคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่อยู่ที่ต้องการล้มรัฐบาลอำนาจรัฐบาลของทักษิณใี้สิน้นซากและเมื่อรัฐบาลถอดถอนยติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญออกจากวาระของสภาแล้ว ม็อบพันธรรมนิตรที่ยึดครองสะพานมรควานปิดถนนราจะดำเนินก็ไม่ยุติแต่กลับรุกหนักขึ้นโดยขยายข้อเรียกร้องแบบชนทะเละาะทังบ้านในการเรียกร้องให้รัฐบาลดําเนินการในสิ่งที่ทําไม่ได้และยุ่งยากมากเริ่มจากเรียกร้องให้ใ น, ในายจักรภพเพ่งแขรัฐมนตรีประจําสํานักนายกลาออกเมื่อนายจักรภพลาออกแล้วก็เรียกร้องให้เอาเขาเขาวิหารที่สารโลกตัดสินว่าเป็นของกัมบูชามานาน ตั้งแต่ปี2505แล้วคืนแล้วเรียกร้องให้ในายสมรลาออกจากนายกผู้มนตรีขอเรียกร้องที่เลอะเทอะไรเหตุผลของพันธมิตรประสานกับการเคลื่อนไหวที่เลอะเทอผิดกฎหมายตลอดระยะเวลา6เดือนเศษติดต่อกันทั้งยึดคอทำเนียบรัฐบาลยึดสถานีโทรทัศ์ช่อง NBT ยึดสนามบินหลายแห่งในภาคใต้จนถึงปิดตายสนามบินศูนย์กลางของประเทศคือสุวรรณภูมิและจอนเมือง ซึงไม่มีม็อบที่ไหนในโลกนี้จะกระทําได้โดยรัฐบาลไม่กล้าประกาศแต่สภ า, าวะความไร้เหตุผลนี้แกนนําม็อบทันธมิตรก็ได้สร้างเรื่องที่ทั้งที่คนทั้งฝังคมต้องจำลึงโดยไม่มีใครกล้าแตะต้องคือม็อบทันธมิตรได้ประากาศตัวเองต่อสาธารนณะย้ําแล้วย้ําเล่าว่าพวกเขาเป็นม็อบที่จงรักภักดีแล ะ, ะดําเนินการประท้วงเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของราชสำนะักและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระราชนีเป็นผู้ให้การสนับสนุน นายสนธิลิ้งทองกุลได้กล่าวบนเวทีพร้อมแสดงหลักฐานตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการหลายครั้งซ้ําแล้วซ้ําเล่าอย่างเป็นลูกประทเช่นนายสนธิได้ประกาศว่าเขาได้รับเงินสนับสนุนจากสตรีผู้สูงศักดิ์ที่มอบให้เป็นเงิน4แสนบาทโดยเงินที่นํามามอบให้บรรจุไว้ในกระเป๋าของโครงการศูนย์ศิลปะชีนายสนธิประกาศว่าได้รับผ้าพันคอสีฟ้า และมีสั ญ, ญลักษณ์ที่เป็นพระนามยออ่อสกของสมเด็จพระราชนีปรากฏอยู่จากราชสำนักโดยในสนธิได้ใช้ผ้าพันคอนี้ผูกที่คอแสดงต่อสาธา น, นะตลอดการชุมนุมและนําผ้าพันคอเช่นเดียวกันนี้แจกใจ่ายให้แก่ผู้ชุมนุมรวมตลอดทั้งได้ใช้หงสสีฟ้าที่มีพระนามยออ่อสกกัรที่กล่าวนี้บกษบัดในการเคลื่อนไหวของฝูงชนตลอดเวลาและในวันเดินขบวน อยึฐานีโทรทัศน์ NVT ในเช้าของวันที่26สิงหาคม2541ขอโทษนะคะในเช้าของวันที่26สิงหาคม2551ก็ถือชสองสองกอบกนำหน้าไปด้วยนายสนทิรักพักพ่วกใช้เสื้อสีเหลืองซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระเจ้าอยู่หัวเป็นสีสั ญ, ญลักษณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุมโดยกำหนดให้ผู้ชุมนุมทุกคน